สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการมรดกไทยนะครับผมอาจารย์สมพงษ์บุญ น, นุนจะทำหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟังประมาณ1ชั่วโมงเต็มเราอยู่กันที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคลื่น FM 89.5 MHz เเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตนะครับ คุณู้ฟังครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมได้มีโอกาสไปชมภาพยนตร์ฝรั่งเรื่อง Toy Story นะครับก็ได้เห็นความน่ารักความซุกซนแล้วก็เรื่องราวของมิตรภาพของเล่นที่มีชีวิตซึ่งก็เป็นภาพยนตร์ในภาคที่4่ความจริงแล้วหลังจากที่ชมภาพยนตร์จบผมก็นึกถึงว่าจริงๆในประเทศไทยเราก็มีของเล่น ที่เป็นภูมิปัญญาเป็นนวัตกรรมที่บรรพบุรุษของเราได้คิดค้นขึ้นเพื่อเด็กไทยมาหลายยุคหลายสมัยนะครับและนี่คือที่มาทำให้เกิดแรงบันดาลใจในเนื้อหาสำคัญในวันนี้ของรายการมรดกไทยวันนี้จะพูดถึงของเล่นแบบไทยๆนะครับรวมตั้งแต่ทุกช่วงจนถึงช่วงมรดกทางภาษา วันนี้ผมจะแจ้งให้คุณผู้ฟังได้ทราบว่า4ช่วงของมรดกไทยนั้นมีอะไรบ้างช่วงที่หนึ่งมรดกเพลงไทยครับวันนี้พูดถึงเพลงห ok ุ่นกระบอกเพลงนี้มีอายุมากกว่า20ปีแล้วก็เป็นผลงานของกลุ่มนักดนตรีที่มีชื่อเสียงนะครับวันนี้คุณผู้ฟังจะได้ทราบเรื่องราวประวัติความเป็นมาของวงดนตรีวงตะวันซึ่งมีนักดนตรีมืออาชีพ มากมายได้ทำอัลบั้มชุดนี้มาดูที่ช่วงที่2มรดกวิถีไทยวันนี้ผมจะนำเสนอเรื่องราวความเป็นมาของหุ่นกระบอกตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันมีวิวัฒนาการและความน่าสนใจที่น่าสนใจแล้วก็มีประวัติที่คู่กับวิถีไทยมาโดยตลอดนะครับสำหรับในช่วงที่2นะครับผมจะนำเสนอเรื่องราวของหุ่นกระบอกหุ่นกระบอกเนี่ย ถือว่าเป็นความบันเทิงเป็นมหรสศพที่ได้รับความนิยมในอดีตและปัจจุบันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ควรค่าแห่งการอนุรักษ์วันนี้คุณผู้ฟังจะได้รับทราบเรื่องราวประวัติความเป็นมาของหุ่นกระบอกนะครับสำหรับช่วงที่3มมรดกภูมิปัญญาไทยเราย้อนกลับไปในวัยเยาว์ไปดูของเล่นของเด็กในสมัยก่อนเด็กทุกคนนะครับชอบมีของเล่นมีตุ๊ ก, กตา หรือมีการเล่นมากมายเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทางสติปัญญาแล้วก็พัฒนาการทางด้านร่างกายวันนี้จะหยิบยกเรื่องราวของเล่นและการเล่นของไทยในสมัยก่อนที่เด็กไทยนิยมที่จะเล่นกันในทุกๆวันนะครับในส่วนช่วงที่4มรดกทางภาษาวันนี้ผมจะนำเสนอสำนวนไทยที่เกี่ยวกับการเล่นในสมัยก่อน ที่มาของหลายสำนวนนะครับเกิดมาจากการกีฬาการลเล่นและอื่นๆมากมายรับรองว่าทั้ง4ี่ช่วงเนี่ยน่าสนใจมีความสนุกแล้วก็มีเสียงเพลงเพลาะเพราะมาฝากคุณมาฟังเช่นเคยแล้วเราจะกลับมาพบกับแต่ละช่วงของรายการมรดกไทยนะครับ FM 89.5 m ม z สร้างสรรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีช่วงที่1มรดกเพลงไทยคุณผฟังครับนี่เป็นโอกาสดีนะครับที่ผมจะได้เปิดเพลงหุ่นกระบอกของวงตาวัน วงตะวันมีประวัติเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็เป็นศูนย์รวมของนักดนตรีฝีมือดีเรียกว่าเป็นวงดนตรีคุณภาพอีกวงหนึ่งของบ้านเรานะครับสำหรับวงตะวันนะครับได้ผลิตอัลบั้มหุ่นกระบอกวางตลาดเมื่อปีพศ2528สำหรับแนวเพลงที่ผมดูแล้วเนี่ยจะเป็นแนวโปรแกสติกร็อกนะครับซึ่งสมัยก่อนก็มีแนวนี้แล้วมีดนตรีแนวนี้มากมายทีเดียว สังกัดค่ายเพลง GMM Grammy และผู้ที่เป็นโปรดิวเซอร์ก็คือวงตาวันเป็นอัลบั้มที่ออกมาในปีพศสอ 2, 5 2 8สําสำหรับเพลงหุ่นกระบอกนะครับเป็นอัลบั้มที่เขาเรียกว่าเป็นสตูดิโออัลบัม้มก็คือผลิตผลงานในสตูดิโอวางจำหน่ายเมื่อเดือนธันวาคมพศสอ 2, 5 2 8โดยอัลบั้มนี้ประสบความสำเร็จพอสมควร ซึ่งในอัลบั้มชุดนี้ก็มีเพลงดังๆอย่างเพลงคุณกระบอกสมาคมคนว่างงานอยากให้คุณผู้ฟังได้ฟังเพลงนี้มากมีเนื้อหากินใจแล้วก็มีเพลงเสียงกระซิบจากสายฝนแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับหลังจากที่ผลิตอัลบั้มเสร็จเรียบร้อยแล้วมีการโปรโมตเปิดเพลงให้คุณผู้ฟังเสร็จเรียบร้อยแล้วสมาชิกก็แยกย้ายกันไปทํางานที่ตัวเองถนัดยกตัวอย่างเช่นบางคนก็เป็นแบ็กอัพให้กับ คอนเสิร์ตศิลปินคาร์บาวในอัลบั้มต่างๆเช่นก้นบึ้งทำมือแล้วหลังจากนั้นก็มาออกอัลบั้มม็อบในปีพศ2535นะครับสำหรับวงตะวันมีสมาชิกที่เรียกว่าหลายๆคนเรียกสมาชิกในวงนี้ว่าอาจารย์เพราะว่าเขาเก่งกาจมากในการทำเพลงแล้วก็เล่นด น, นตรีเองนะครับยกตัวอย่างเช่นกิติพันธ์ปุณณบุตร แล้วก็มีมรุธารัตนสัมพันธ์วงสกรรัศมีทั์ก็คือคุณต้นอดีตนักร้องวงแม็กอินทอสแล้วก็มีคุณชัยวัดจุลาพันธ์แล้วก็มีคุณพงพรมสนิทวงนาอายุทยาซึ่งทั้งหมดนี้ได้รวมตัวกันเพื่อผลิตผลงานคุณภาพที่ฝากไว้ในวงการเพลงไทยนะครับในเนื้อเพลงมีสิ่งที่กินใจ ในการเขียนเนื้อเพลงแล้วก็ทำดนตรีออกมาผสมผสานได้อย่างน่าสนใจผมขอยกตัวอย่างเนื้อเพลงคุณกระบอกนะครับที่บอกว่าดึงเชือกสิแล้วฉันจะยิ้มให้คุณดึงเชือกสิฉันจะร้องเพลงให้ฟังดึงอีกครั้งฉันอาจจะร้องไห้แต่ไม่เป็นไรถ้าถูกใจของคุณดึงเชือกสิฉันอาจจะยิ้มให้อีกครั้งแต่อย่าพึ่งหวังครั้งนี้ฉันอาจร้องไห้ นี่เปรียบสเสมือนใครสักคนหนึ่งนะครับที่ไม่ค่อยมีคุณค่าสามารถทําได้ทุกอย่างให้คนรอบข้างได้มีความสุขแล้วก็มีประโยคท้ายๆเพลงที่น่าสนใจที่บอกว่าคุณคงเห็นฉันไม่มีหัวใจทําฉันอย่างไรก็ได้เหมือนหุน่นให้สุขให้ทุกขแล้วแต่ใจคุณฉันเป็นเพียงหุน่นให้คุณเชิดตามใจคุณู้ฟังครับนี่คือชั้นเชิงในการเขียนเนื้อเพลง กว่า20ปีแล้วนะครับถ้าใครได้ฟังเพลงนี้จะรู้สึกว่ามีความทันสมัยทั้งดนตรีคำร้องและก็เรื่องราวต่างๆที่อยู่ในเพลงวันนี้ผมและคุณผู้ฟังเราจะมาฟังเพลงนี้กันนะครับเพลงหุ่นกระบอกจากวงตาวันขอเชิญรับฟังครับ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 s วีทเ FM เอ็กหาวิทยุราชมงคลทัญบุรีรับฟังออนไลน์ที่ทาง www.radio.rmutt.ac.th โทร0 2 6 9 1 7 7 3 8ก คุณผู้ฟังครับในช่วงที่แล้วเราฟังเพลงหุ่นกระบอกไปเรียบร้อยเพราะฉะนั้นมาถึงช่วงมรดกวิถีไทยก็ต่อเนื่องขยายความเรื่องราวของหุ่นกระบอกไทยนะครับหุ่นกระบอกถ้าเราดูความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานปีพศ2554ได้ให้คำนิยามไว้ว่า เป็นหุ่นชนิดหนึ่งที่มีส่วนหัวแล้วก็มือสองข้างลําตัวทำด้วยไม้กระบอกแล้วก็มีผ้าเย็บเป็นถุงคลุมเวลาเชิดก็ใช้มือสอดเข้าไปแล้วก็จับไม้กระบอกนั้นเชิดขึ้นมาลักษณะทั่วไปของหุ่นกระบอกไทยก็จะสูงประมาณ 30-50 เซนติเมตรนะครับคุณผู้ฟังผู้เชิดก็จะอยู่ด้านล่างของตัวหุ่น คล้ายกับหุ่นกระบอกของเวียดนามหากแต่หุ่นกระบอกของเวียดนามนั้นเขาจะใช้ผู้เชิดแสดงหุ่นอยู่ใต้น้ำซึ่งก็เป็นลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัวจึงเรียกหุ่นกระบอกเวียดนามว่าหุ่นน้ำคราวนี้กระจ่างชัดแล้วนะครับประวัติความเป็นมาของการเล่นหุ่นในประเทศไทยจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของไทยพบว่ามีการเล่นหุ่นเป็นมหรสพ ตั้งแต่สมัยอยุธยามีหลักฐานปรากฏว่ามีการเล่นหุ่นในหมายรับสั่งในสมุดไทยแล้วก็วรนคดีเรื่องต่างๆหลายเรื่องทีเดียวตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนานรายมหาราชจนถึงสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศก็เรื่อยมาจนถึงสมัยธนบุรีในสมัยรัตนโกสินทร์มีการระบุว่า มีการเล่นหุ่นในงานฉลองสมโพธในพิธีหลวงเช่นการออกพระเมรซึ่งสันนิษฐานว่าคงจะเป็นการเล่นหุ่นหลวงไม่ใช่หุ่นกระบอกซึ่งก็มีการเกิดขึ้นแล้วก็แพร่หลายตั้งแต่สมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับคุณผู้ฟังครับหุ่นกระบอกได้รับความนิยมแล้วก็วิวัฒนาการเรื่อยมาจนกระทั่งถึงปีพศ2436ที่หม่อมราชวงศ์ถ่ะ ได้ตั้งคณะหุ่นกระบอกขึ้นจนเป็นที่รู้จักแพร่หลายในวงกว้างอย่างรวดเร็วถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้อาจจะมีหุ่นกระบอกชนิดเดียวกันหรืออาจจะใกล้เคียงกันมีการแสดงอยู่ตามหัวเมืองมาก่อนหน้านั้นแต่ว่าเนื่องจากหุ่นกระบอกของหมอมราชวงศ์เถรเนี่ยเป็นของใหม่สำหรับผู้คนในกรุงเทพมีการประดิษฐ์ตัวหุ่นนะครับแล้วก็อุปกรณ์ประกอบการแสดงที่ ค่อนข้างจะปราณีตงดงามกว่าหุ่นกระบอกที่ใช้เล่นกันตามหัวเมืองมีหลักฐานกล่าวว่าหม่อมราชวงศ์เถาะได้สร้างหุ่นกระบอกถวายสมเด็จพระเจ้าบรวงเธอเจ้าฟ้าอัศดางเดชาวุฒิกรมหลวงนครราชสีมาเมื่อครั้งส่งพระเยาซึ่งเป็นที่โปรดปรานอย่างมากจากความคิดรี่เริ่มของหม่อมราชวงศ์เถาะ ทำให้เกิดความนิยมเล่นหุ่นกระบอกในไทยอย่างกว้างขวางคุณฟังครับทำให้สิ่งนี้เป็นแรงบันดาลใจทำให้คณะหุ่นกระบอกเกิดขึ้นมากมายหลากหลายคณะซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเจ้าของคณะหุ่นกระบอกส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวบ้านแม้จะมีเจ้านายนะครับเป็นเจ้าของคณะอยู่บ้างก็ไม่ค่อยได้ออกรับงานทั่วไป คณะที่เป็นที่นิยมอย่างมากก็คือคณะของหม่อมราชวงศ์เถาะซึ่งผมได้เล่าประวัติความเป็นมาแล้วมีผู้ช่วยเชิดหุ่นที่มีความสามารถสูงหลายคนนะครับมีการกล่าวอ้างถึงนายเปียกประเสริฐกุลซึ่งต่อมาเจ้าของคณะละครหุ่นกระบอกคณะนายเปียกประเสริฐกุลนะครับพื้นฐานการแสดงมาจากที่นายเปียกได้อาศัยอยู่ในบ้านของหม่อมราชวงศ์เถาะมาตั้งแต่สมัยเยาว์ แล้วก็มีการหัดเชิดหุ่นจนสามารถเชิดได้ทุกตัวนี่รนะัปรองว่าเป็นพรสวรรค์นะครับเมื่อคราวพระราชพิธีเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อปีพศ2436ณนะพระที่นั่งวโรพาธพิมานพระราชวังบางปีนในเปียกนี่แหละก็ได้มีโอกาสติดตามคณะหุ่นกระบอกของหม่อมราชวงศ์เถะ แล้วมีการแสดงต่อหน้าพระที่นั่งด้วยอายุเพียง16ปีโดยเชิดหุ่นกระบอกตัวขุนช้างในการแสดงหุ่นกระบอกเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนแต่งงานพระไวยซึ่งจากการแสดงในครั้งนี้นะครับเป็นที่พอพระราชาริษไทยของรัชกาลที่5เป็นอย่างมากจึงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเงิน1ถุงให้กับนายเปียกเป็นรางวัล น, นะครับ คุณผู้ฟังครับในการแสดงหุ่นกระบอกนะครับก็มีการใช้เครื่องดนตรีสำหรับประกอบการแสดงหุ่นกระบอกก็มีทั้งเครื่องห้าเครื่องคู่หรือเครื่องใหญ่แต่ในวงปีพาสสำหรับการแสดงหุ่นกระบอกจะต้องมีตะโพนมีซออู้มีกลองต๊อกมีกลองแตวแล้วก็มาล้อเป็นเครื่องดนตรีประกอบอยู่นะครับที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยถ้าสามารถเห็นภาพได้ก็จะทาให้คุณผู้ฟังได้ เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับเรื่องราวที่ใช้ดำเนินเรื่องของหุ่นกระบอกนะครับก็อาจจะใช้เพลงร่ายนอกหรือร่ายในก็ได้แต่ที่นิยมกันมากคือใช้เพลงสังขาราซึ่งเป็นทานองเพลงโบราณแล้วเนื้อเรื่องส่วนมากที่เขาจะแสดงก็จะมีนำมาจากวรรณคดีนะครับเช่นนิทานคํากรนหรือบทละคร น, นอกเรื่องพระอภัยมณีขุช้างขุนแผน ลักษณะวงไกรทองอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่เป็นเรื่องราวคร่าวๆของหุ่นกระบอกที่ถือว่าเป็นมรดกทางวิธีไทยที่น่าสนใจเดี๋ยวนี้นะครับหาชมยากอาจจะมีบางที่นะครับที่แสดงในตลาดน้ําแถวกรุงเทพคุณผู้ฟังสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมว่ามีการแสดงหุ่นกระบอกในที่ใดบ้างแต่ที่เรารู้จักแน่ๆคือ หุ่นละครเล็กโจลุยนะครับมีการแสดงให้ทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติได้ชมกันนี่เป็นความภาคภูมิใจนะครับสิ่งดีๆเหล่านี้ต้องช่วยกันอนุรักษ์แล้วก็รักษาไว้ให้คู่ผืนแผ่นดินไทยตลอดไปนะครับ คือคุณเคยแต่มอง กัเธอะเจอเธอ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 8 5เ a กะเฮิาาร์เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตคุณผู้ฟังครับมาถึงช่วงที่3มมรดกภูมิปัญญาไทยช่วงที่แล้วพูดถึงเรื่องราวของหุ่นกระบอกนะครับความจริงแล้วมีของเล่นแบบไทยๆมากมายทีเดียว ซึ่งคุณผู้ฟังบางท่านก็คุ้นเคยบางท่านก็อาจจะลืมๆไปบ้างเดี๋ยววันนี้จะยกตัวอย่างการละเล่นหรือของเล่นในสมัยก่อนที่สนุกๆมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังนะครับอันดับแรกเลยคุณผู้ฟังเคยเล่นซ่อนหาหรือว่าโป่งแปะไหมครับการเล่นซ่อนหาหรือว่าโปงแปะเนี่ยเป็นหนึ่งในการเล่นพื้นบ้านที่มีมาช้านานมากแล้วก็เป็นการเล่นที่ได้รับความนิยมทุกยุค ทุกสมัยสาเหตุเพราะว่าการเล่นซ่อนหาหรือโป้งแปะใช้กติกาง่ายๆแถมสนุกแล้วก็มีการกําหนดอาาเขตอาณาบริเวณที่ไม่แคบไม่กว้างจนเกินไปผมคิดว่าจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีเด็กๆจับกลุ่มเล่นซ่อนหากันให้เห็นมาทบทวนกติกากันนิดหนึ่งนะครับ สำหรับคนที่เป็นผู้หาจะต้องปิดตาแล้วก็ให้เพื่อนๆไปหลบซ่อนโดยอาจจะนับเลขก็ได้ส่วนผู้ที่ซ่อนในสมัยก่อนจะต้องร้องว่าปิดตาไม่มิดสารพิษเข้าตาพ่อแม่ทำนาได้ข้าวเมล็ดเดียวแล้วก็แยกย้ายกันไปซ่อนเมื่อผู้หาคาดคะเนว่าทุกคนซ่อนตัวหมดแล้วอันนี้ห้ามไปซ่อนในตุ่มน้ํานะเดี๋ยวจมนะ้ำ จะต้องร้องถามว่าเอาหรือยังซึ่งเมื่อผู้ซ่อนตอบว่าเอาละผู้หาก็จะเปิดตาแล้วก็มองหาเพื่อนๆตามจุดต่างๆเมื่อหาพบก็จะพูดว่าโป้งแล้วก็ตามด้วยชื่อคนที่พบเช่นถ้าเจอคุณสมพงศ์ก็จะพูดว่าโป่งสมพงศ์ซึ่งสามารถโป่งคนที่เห็นในระยะไกลได้จากนั้นผู้หาก็จะหาไปเรื่อยๆจนครบ สำหรับผู้ที่ถูกหาพบคนแรกจะต้องมาเปลี่ยนเป็นผู้หาแทนไม่งงไม่สับสนนะครับหากใครซ่อนเก่งผู้หานั้นหาอย่างไรไม่เจอสักทีผู้ซ่อนคนที่ยังไม่ถูกพบก็สามารถเข้ามาแตะตัวผู้หาพร้อมกับร้องว่าแปะเพื่อให้ผู้หาเป็นต่ออีกรอบหนึ่งนะครับในสมัยเด็กๆนี้ผมชอบเล่นมากทีเดียวมันตื่นเต้นแล้วก็ท้าทาย เวลาผู้หาเขาเดินมาใกล้ๆแล้วหาเราไม่เจอบางทีก็แอบหัวเราะนะครับเอามือปิดปากเอาไว้ <c oughs> บางทีก็เขาหาเจอจากเสียงหัวเราะของเราหรือการที่เราเคลื่อนไหวร่างกายนี่แหละ <c oughs> คุณรู้ฟังครับประโยชน์ของการเล่นซ่อนหาหรือว่าโป้งแปะมีประโยชน์มากมายนะครับก็คือบอกว่าช่วยฝึกให้เด็กเป็นคนช่างสังเกตสามารถจับทิศทางของเสียงได้รวมทั้งรู้จักประเมินสถานที่ซ่อน จึงฝึกความรอบครอบได้ด้วยนอกจากนี้ก็ยังทาให้ผู้เล่นนั้นสนุกสนานอารมณ์แจ่มใสเบิกบานแต่ข้อสำคัญเวลาไปซ่อนที่ไหนนี่ก็ต้องดูด้วยนะครับว่ามีแมลงป่องมีงูมีตะปูมีอะไรหรือเปล่าไม่งั้นเดี๋ยวจะไปเหยียบเข้าเริ่มสนุกแล้วใช่ไหมครับต่อไปมาถึงหมากเก็บผมว่าเด็กผู้หญิงร้อยล้วเ0สมัยก่อนี่ชอบเล่นบางทีก็มีเด็กผู้ชายไปปนด้วยเหมือนกันเป็น การลเล่นที่ยอดฮิตมากสำหรับผู้หญิงนะครับก็ใช้ผู้เล่นประมาณ2ถึง4คนแล้วก็ใช้ก้อนกลวดกลมๆเนี่ยประมาณ5ก้อนเป็นอุปกรณ์กติกาง่ายๆครับก็คือมีการเสี่ยงถ่ายว่าใครจะได้เล่นก่อนโดยใช้วิธีขึ้นร้านคือแบมือถือหมากทั้ง5เม็ดแล้วก็โยนหมากก่อนจะหงายมือรับแล้วก็พลิกมือกลับรับหมากอีกทีนึง ใครมีหมากอยู่ในมือมากที่สุดคนนั้นก็ได้เป็นผู้เล่นก่อนนะครับจากนั้นก็จะแบ่งการเล่นเป็นห้าหมากโดยหมากที่1ก็ทอดหมากให้อยู่ห่างๆกันแล้วเลือกลูกนำไปไว้1เม็ดก่อนจะไล่เก็บหมากที่เหลือโดยการโยนเม็ดนะครับนำขึ้นมาพร้อมกับเก็บหมากครั้งละ1เม็ดแต่ว่าจะต้องรับลูกที่โยนขึ้นให้ได้ถ้ารับไม่ได้ก็ถือว่าตาย หรือถ้ามือไปถูกเม็ดอื่นก็ถือว่าตายเช่นกันอันนี้ตอนที่เราให้คุณูฟังนี่ช่างงงงนิดหน่อยเพราะว่าตอนเด็กๆไม่เคยเล่นนะครับเห็นก็เล่นกันมาดูต่อนะครับในหมากที่2ก็จะใช้วิธีการเดียวกันแต่เก็บทีละ2เม็ดเช่นเดียวกับหมากที่3ใช้เก็บทีละสมเม็ดส่วนหมากที่4ก็จะไม่ทอดหมากแต่ก็จะใช้ โปก็คือถือหมากทั้งหมดไว้ในมือแล้วก็โยนขึ้นแล้วก็โปะเม็ดที่เหลือลงพื้นนะครับจากนั้นก็รวมทั้งหมดที่ถือไว้ก็ขึ้นร้านได้กี่เม็ดถือเป็นแต้มของผู้เล่นคนนั้นถ้าไม่ได้ก็ถือว่าตายนะครับแล้วให้คนอื่นเล่นต่อไปโดยตายหมากไหนก็จะเริ่มที่หมากนั้นโดยปกตินะครับคุณผู้ฟังเล่นหมากเก็บก็จะกําหนดไว้ที่5 0าสิถึงหนึแต้ม ดังนั้นเมื่อแต้มใกล้ที่จะครบเวลาขึ้นร้านก็ต้องระวังไม่ให้แต้มเกินถ้าเกินต้องเริ่มต้นใหม่อย่างไรก็ตามนะครับหมากเก็บก็มีการเล่นหลายๆอย่างแต่ละพื้นที่แต่ละภาคแต่ละอย่างก็จะมีชื่อเรียกต่างกันไปเช่นหมากพวงหมากจุบ๊บอีกาเข้ารังประมาณนี้นะครับต่อไปมาถึงการเล่นอื่นๆที่น่าสนใจคุณผู้ฟังครับ เคยเล่นม้าก้านกล้วยไหมครับมาก้านกล้วยนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สนุกมากเพราะว่าในสมัยก่อนแทบจะทุกบ้านจะต้องปลูกต้นกล้วยเอาไว้ดังนั้นต้นกล้วยจึงนํามาประยุกต์เป็นของเล่นให้เด็กๆได้อย่างดีทีเดียวจริ ง, รงๆไม่ใช่ประยุกต์สําหรับเอามาเล่นม้าก้านกล้วยแหละครับอาจจะเป็นไม้เรียหัวต้นก็ได้ถ้าเราดื้อ น, นะครับโดยเฉพาะม้าก้านกล้วยดูเหมือนจะถูกอกถูกใจเด็กผู้ชายวัยซนมากๆ เพรเด็กๆจะนําก้านกล้วยมาขี่เป็นม้าเพื่อแข่งขันกันหรือทําเป็นดาบรบกันก็ได้อันนี้สนุกมากวิธีทําม้าก้านกล้วยก็ไม่ยากเลยนะครับคุณผู้ฟังเราก็เลือกตัดใบกล้วยออกมาแล้วเอามีดเลาะใบกล้วยออกเหลือไว้ที่ปลายเล็กน้อยให้เป็นหางม้าเอามีดเนี่ยฝานแฉแลบด้านข้างก้านกล้วยตรงโคนนะครับบางๆเพื่อทําเป็นหูม้า แล้วก็หักก้านกล้วยตรงโคนหูม้าออกจากนั้นก็นำขแขนงไม้กิ่งไผ่เนี่ยเสียมปลายให้แหลมนะครับความยาวประมาณสักครึ่งกว่ า, วาเสียบหัวม้าที่พับเอาไว้ก็จะทะลุถึงก้านเพื่อให้เป็นสายบางเขียนเนี่ยผูกปากกับคอม้านั่นเองถ้าทำไม่ได้ขอคุณลุงคุณนาะคุณตาช่วยทำให้นะครับ ามาดูต่อครับเสร็จแล้วก็นำเชือกกล้วยมาผูกด้านหัวของมาแล้วก็หางมาทำเป็นสายสไปายบาแค่นี้ก็ได้มาการกล้วยไปขี่เล่นกับเพื่อนๆสนุกสนุกแล้วนะครับและที่เล่ามาทั้งหมดตลอดทั้งช่วงนี้เป็นตัวอย่างการะเล่นของเด็กไทยที่ประยุกจากสิ่งแวดล้อมมีจุดประสงค์เพื่อให้เด็กได้รู้จักได้ออกกำลังกายเป็นคนช่างสังเกตอื่นๆ อ, อ, อีกมากมาย ไม่ทราบว่าเดี๋ยวนี้ตามโรงเรียนอนุบาลได้นำการเล่นแบบไทยของเล่นแบบไทยมาให้ลูกหลานของเราได้เล่นกันบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ก็จะมีแต่ตุก๊กตามีสิ่งต่างๆที่เป็นวัสดุสังเคราะห์นะครับก็ดูดีๆเพราะว่าวัสดุสังเคราะห์บางอย่างก็ไม่ได้คุณภาพอาจจะมีสารเคมีปนเปื้อนและข้อสาคัญก็คือบางทีไม่รู้ว่าจะเป็นอันตรายต่อเด็กหรือเปล่าดังนั้นจะให้เด็กเล่นอะไร ต้องพินิษวพิเคราะห์เลือกสรรถ้าเป็นไปได้ก็เลือกของเล่นกาละเล่นของเด็กไทยนี่แหละลองให้เด็กเล่นดูบางทีจะเป็นอีกทางเลือกที่ดีสำหรับพวกเขานะครับ เธอจ้า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 ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ชั้นเจศูนย์การค้าบางซื่อจังชันวิทยุราชมงคลธัญบุรีกับช่วงเวลาแห่งความสุขในช่วงมรดกทางภาษาวันนี้นำเสนอสำนวนไทยที่เกิดจากการละเล่นมาดูสำนวนแรกเข้าตาจน รู้ฟังนึกออกนะครับํานวนนี้มาจากการเล่นที่มีตัวหมากเดินตามตารางเช่นหมากรุกหมากตัวใดต้องตกอยู่ในตาซึ่งไม่มีทางเดินต่อไปได้ก็เรียกกันว่าจนหรือแพ้ใครที่ต้องตกอยู่ในที่อับจนไม่มีทางบ่ายเบียงเอาตัวรอดได้ก็เรียกว่าเข้าตาจนต่อไปสานวนคลุกคลีตีมง ก็หมายถึงอยู่ร่วมการคลุกคลีด้วยกันคำว่าตีมงก็หมายถึงตีคองการละเล่นของไทยในสมุทบราณก็จะมีการตีคองกับกลองเป็นอุปกรณ์สำคัญนะครับต่อไปสำนวนถูกขาก็หมายความว่าเข้าคู่หรือเข้าพวกหรือเข้าชุดกันได้สนิทสนมกลมเกลียวไม่มีขัดเขินเช่นเล่นฟุตบอลบอลถูกขากันเต้นราถูกขากัน มูลเหตุของจำนวนนี้ก็มาจากการเล่นที่ประกอบด้วยผู้เล่นหลายๆคนเช่นเล่นไพ่ถ้าเคยเล่นด้วยกันเล่นกันมาประจําก็จะเรียกว่าถูกขากันต่อไปสำนวนนักเพลงอดเพลงไม่ได้ก็มีความหมายว่ามีนิสัยชอบแล้วอดไม่ได้มูลเหตุของสำนวนนี้น่าจะมาจากการเล่นเพลงนักเพลงหมายถึงนักเล่น เมื่อเป็นนักเล่นแล้วเห็นคนอื่นเล่นเพลงก็อดที่จะเข้าร่วมวงไม่ได้ต่อมาก็ใช้กว้างออกไปหมายถึงอะไรก็ได้เมื่อชอบแล้วก็อดที่จะประพฤติไม่ได้ต่อไปผสมโรงหมายถึงการเข้าร่วมเป็นพวกที่มาของสำนวนนี้ก็มาจากการเล่นละครในสมัยก่อนละครที่รวมเป็นคณะเรียกว่าโรงบางครั้งบางคนตั้งละครขึ้นมา โดยนำเอาตัวละครจากที่ต่างๆมารวมกันให้เป็นโรงเดียวเรียกว่าประสมโรงสำนวนมือใครยาวสาวได้สาวเอาก็มีความหมายถึงมีความสามารถหรือมีอิทธิพลหรืออาจจะมีอำนาจอะไรก็ตามที่ถือเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วรีบนำมาเป็นของตนเองก็เป็นลักษณะของการแย่งชิงกันก็ใช้ในลักษณะเรื่องอะไรก็ได้ใช้ในเรื่องทั่วๆไป สันนิษฐานว่าสำนวนนี้มาจากบทร้องเล่นโบราณที่ว่าซักเศ้าเ อ, อ๋ยมะนาวตรงเตงขุนนางมาเองมาเล่นซักเศ้ามือใครยาวสาวได้สาวเอามือใครสั้นเอาเถาวันต่อเข้าน่าสนใจทีเดียวนะครับต่อไปสำนวนไม่มีปีมีกรองก็คือทำหรือพูดขึ้นมาโดยไม่มีข้อมูล ที่มาของสำนวนนี้มาจากการรำละครหรือกระบี่กระบองที่ใช้ปีกับกรองทำทำนองเป็นจังหวะประกอบการรำเช่นในเสภาขุนช้างขุนแผนตอนโจนปล้นขุนศรีวิชัยจับขุนช้างกับนางแพรทองให้รำก็มีกลอนว่าเจ้าขุนช้างกับนางแพรทองว่าไม่มีปีกลองรำไม่ได้แปลว่าเมื่อจะรำก็ต้องมีปีกรอง ดังนั้นนะครับคุณผู้ฟังอะไรที่เกิดขึ้นเงียบๆ เ, เฉยๆโดยไม่มีข้ามูลจึงพูดเป็นสำนวนว่าไม่มีปีมีกลองมาถึงสำนวนไม้ตายครับก็หมายถึงนำหรือยกเอาข้อสำคัญมาใช้หรือกล่าวอ้างโดยที่เชื่อว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องจำนนหรือไม่ให้รอดพ้นไปได้หรืออาจจะพ่ายแพ้ ที่มาของสำนวนนี้ก็มาจากเพลงกระบีกระบองตลอดจนท่ามวยนะครับการต่อยมวยต่อไปไม้นวมหรือพูดอะไรก็ตามที่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือสิ่งหนึ่งสื่อใดเพียงบ่าๆไม่ให้หนักรุนแรงที่มาของสำนวนนี้ก็มาจากปีพาดคือการบรรเลงเพลงปีพาดก็จะมี2ออย่างถ้าจะให้เสียงดังแรงก็ใช้ไม้ตีชนิดเรียกว่าไม้แข็ง ถ้าจะให้เสียงเบาฟังนุ่มนวลก็ให้ใช้ไม้ที่ตีเรียกว่าไม้นมซึ่งนำมาใช้เป็นสำนวนหมายความว่าคนที่ทําผิดหรือทําอะไรรุนแรงเกินเลยไปแทนที่จะลงโทษก็กล่าวสั่งสอนให้รู้สานึกตัวเรียกว่าให้ใช้ไม้นมก่อนต่อไปรำพัดนะครับก็มีความหมายว่า เล่นไพ่ตองวิธีเล่นไพ่ตองก็มีไพ่ในมือสิเบเอใบเวลาคลี่ไพ่ออกไพ่ก็จะมีรูปเหมือนพัดด้ามจิว๋วรำก็เป็นท่าทางต่างๆก็เลยเรียกว่ารำพัดลงโรงมีความหมายว่าเริ่มลงมือทำตั้งต้นทำลงโรงเป็นภาษามหารสพเช่นการเล่นละครรําบีพาดทําเพลงไปก่อนเรียกว่าโหมโรงพอได้เวลาตัวละครออกมาแสดงเรียกว่าลงโรง เล่นไปจนเลิกเรียกว่าลาโรงถ้าแปลตามตัวนะครับลงมาที่โรงลงโร ง, งเมื่อใช้กับการเล่นมหรสพก็แปลว่าเริ่มเล่นเริ่มแสดงเมื่อใช้เป็นสำนวนหมายความว่าเริ่มลงมือทำตั้งตน้นข้อต่อมาครับหัวไม่วางหางไม่เว้นมีความหมายว่าทำทุกสิ่งทุกอย่างเอาทั้งหมดเอาทุกอย่างทำอยู่ตลอดเวลา จำนวนนี้มักพูดเกี่ยวกับการเล่นเด็กเล่นหัวไม่วางหางไม่เว้นจึงอาจเอามาจากการะเล่นของไทยที่สมัยโบราณเรียกงูกินหางซึ่งคําพูดอยู่ในตอนท้ายว่ากินหัวกินหางกินกลางตลอดตัวฉะนั้นก็อาจมาจากปลาคือกินทั้งหัวกินทั้งหางหมดคนเดียวไม่ปล่อยให้คนอื่นได้กินบ้างเลยและสุดท้ายนะครับออกโรง ก็เป็นการออกแสดงแล้วก็เล่นมโหรสพคําว่าโรงก็จะหมายถึงโรงโขนโรงละครโรงหนังในสนํานวนนี้นะครับคผู้ฟังก็ใช้ในเรื่องราวเกี่ยวกับมโหรสพแต่จะไม่เป็นโรงแต่เป็นการะเล่นมโหรสพอะไรก็ใช้ได้บางครั้งใช้กับผู้ที่ออกทํางานด้วยตนเอ ง, ท, งทั้งทั้ที่ตนไม่ต้องทําแต่ก็ออกมาทําเองก็ได้และทั้งหมดนี้ ก็เป็นจำนวนที่เกี่ยวข้องกับการะเล่นมีทั้งกีฬามีทั้งข้อสังเกตในชีวิตประจําวันก็ถือว่าเป็นสเสน่ห์ที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งของภาษาไทยนะครับคุณกําลังฟังสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี FM 8 9 5สิบเมกะ คุณผู้ฟังครับตอนนี้มองดูเวลาของรายการนะครับก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้ววันนี้ตลอดทั้ง4ี่ช่วงผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะทำให้คุณผู้ฟังได้มีความสุขความสบายใจได้สาระแล้วก็ความรู้เพื่อนำไปปรับใช้กับเรื่องต่างๆหากคุณผู้ฟังสนใจรับฟังรายการมรดกไทยก็สามารถหมุนคลื่นมาได้ที่ fm 89.5 M h z สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตวันนี้ผมอาจารย์สมพงษ์บุญนุนก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังมากๆสำหรับการติดตามรับฟังด้วยดีเสมอมาขออนายคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงโดนบันดาลให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ